นั่งกันสบายนะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่ยีสิบสามตุลาคมสองพันหะ้าร้อสี่สิบเจ็ดและโดยที่มีความตั้งใจที่มาประพฤติปฏิบัติทำความดีซึ่งเชื่อความดี ตามคำแนะนาขององค์เสด็พระินนสีบรมาสาะพญาสมมาสัมพุทธเจ้าณิกรบาอาจารย์ทั้งหลายนักจะเป็นบุคคลที่จ้างแต่ไปุดปฏิบัติอยู่เรื่องหนึ่งภาษาปาริัมชัญว่าอัตนาโจทยัการนังแต่เป็นภาษาไทยตัหมายความว่าเพ่งโทษ เกิดความผิดของตัวเองการปฏิบัติเราต้องถือสิ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะถ้าเราเพ่งโทษ ต, บ, ตบชาบ้านมัวจะไปสนใจสริยาชาบ้านมัวจะไปสนใจสริยาที่เธอทําทอยู่โฉกหรือว่าไม่โฉกดีหรือว่าไม่ดีเรานั่นแหละจะเสียเวลากับกันปฏิบัติใจเราในเบื่งองต้นท่านจะบอกว่าตรงรังนะ สังรวมในอินทรีย์สังวรกายวายใจเราเสื่อพ น, นักษาเจริญอารมณ์หางเสือเอาไว้นั่นจะเป็นเหตุหนึ่งของการตั้งอารมณ์ใจ ว, ว่าเราจะไม่ยุ่นไหวในเริยาของคนอื่นมาสนใจในเริยาของเราเองคือการสังรวมถ้าเราสังรวมกายวายใจของเราดีสมาธิมันก็ดี เราจะมาคิดดีปัญญามันก็ดีถ้าปัญญาดีแล้วก็จะคุ้มครองใจพระเราให้บ้นจับความทุกข์ได้ไม่ยากนั้นสิ่งที่ยากที่เคยเป็นกันอยู่ก็คือการโน้มน้อม่อัตนาตัวทยตัตการนั่นนะที่เจ้าอย่างนี้จะต้องยอมรับแล้วก็พิจารณาโดยตัวเองให้มากก็ก่อนว่า สิ่งที่ผ่านมาเรานมีตาเป็นสิ่งที่มองเห็นมีเหเป็นสิ่งที่ได้ยินไอ้ตาเห็นกับหูได้ยินสองอย่างนี่แหละมันทาให้เราเห็นในสิ่งที่เราชอบใจก็มีสิ่งที่เราไม่จกใจเราก็มีได้ยิงสิ่งที่จกใจเราก็มีได้ ย, ยิงสิ่งที่ไม่จกใจเราก็มีเอาแค่สองอย่างนี้ก็นับประมากส์สำหรับเรา ที่ทำให้ติดใจตลอานั้นทิ้งความดีได้ทิ้งความสงบได้จนขาดทึ่งปติสัมปชัญญะไม่สามารถจะยัง่งลงไปได้ความรู้แจ้งเห็นจริงนัค<ม>รบาอาจารย์ท่านทั้งหลายเจ็บเป็นมาท่านจะแนะนำเป็นประการสำคัญเลยว่าจงอย่าได้เพ่งโทษโจ์ตามชั่วด้วยความผิดของคนอื่นเขาถิงเขาจะผิดจริง ช่่อจริงถ้าไม่ได้เชื่อท่านไม่เขาไม่เชื่อเขาไม่ผิดจงมาวาอยาเพ่งโทษตรวจตามผิดแต่งว่าเขาต้องผิดจริงแต่ในตามสิที่เขาทำเราไม่รู้ว่าเหตุมันทำเพราะอะไรเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเกิดเพราะกรรมหรือมาที่ก ร, รับแต่เราต้องรู้อย่างหนึ่งว่า ถ้าเราไปวุ่นวายกับตามเป็นตัวตนของเขาไปยุ่งกับจิริยารัศของเขาไปตำหนิจุดเดียวในสิ่งที่เขาทำเพราะไม่ถกแกเราถ้าถกแกเราเราก็ไม่ติดเราก็ไม่ว่าเราก็มคงไม่มาคิดให้เสียเวลาแต่ถ้าทําอะไรมันไม่ถกแจเราเมื่อไหร่เราก็เสียเวลาที่จะติดคิดถ้าเป็นติดถ้าเป็นนึกถึง มันไม่ได้เกิดเพียงแค่ภายในใจที่เป็นมนโนกรรมแตม่นจะกลายเป็นวจีกรรมและกลายกรรมต่อมานั่นหมายความว่าเราไม่หยุดกรรมของตัวเองมันกลายเปโรค อ, อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าโรคมีกรรมไม่อยู่ที่สิ้นสุดเพราะทุกคนน่ะเกิดม า, ามก็เกิดมาก็ต่ำกรรมมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นตําหน่งมีกรรมเป็นขอพันเพราะพระุทธเจ้าต่าสเส้นนั้น ทุกคนมันเนินไปตามกรรมกรรมที่ได้กระทำมาคือกรรมที่ผิดพลาดด้วยว่าทุกศีลงานในชาติต่างก่อนทำให้เราต้องกลายเป็นคนที่ทุกขเวทนาทางกายทุกขเวทนาทางวาจาทุกขเวทนาทางใจคําว่าทุกขเวทนามันหมายถึงว่าอารมณ์ใจเรามันหาความสุขจากการถูกครอบครองกายเกิดการเจ็บปวดแท่ไม่สบาย โดยต้องถูกก้อต้อขังวาจาที่ตะโกนวาจาตออเสียงวาจาติดชินหนึคาวาจาอยากคายอย่างนี้เป็นต้นหรือเป็นวาจาที่โกหกนัดเพลต่เราแล้วก็ต้องมีโฆษณาทางใจคือฟังเสกเขี่ยแทนทางจิตใจครับมันเสียรเริ่องถูกติดขั้นเ้าต้องติดขั้นแต่เราให้ต้องทําติดขั้นแต่เราให้ต้องพูด ถ้าให้เราไม่สามารถทําตามที่ใจเราต้องการได้ไม่เป็นอิสระกรรมที่เกิดทางกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีมันเป็นกรรมที่ได้กระทำมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันเราก็ยังทําอยู่ว่าก่อนเราทำพระเจตนาก็มีไม่มีเจตนาก็มีแต่ปัจจุบันถ้าเราเชื่อคําสั่งสองของของค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเก็จะละเส้นความเชัวอคือไม่ตั้งใจ ไม่มีเจตนาที่จะทําชั่วทางกายวาจาและก็ใจเพรารากลที่เล็องความชั่วที่เราทําไว้ในแต่ต้นมาแล้วก็ดีที่ผ่านมาแล้วก็ตามมันจะตามทันเราใครทําใครก็ได้จังหวะนี้ไม่ไม่ตกทอดเป็นของทายาทไม่สามารถถ่อตนในฐานะของความเป็นอะไรต่อกันและกัน ไม่ว่าคนจะรักกานมากคนจะเกิดกันมากแค่ไหนนเชื่อว่าแรงของกรรมมันเป็นของสมบัติจะครอบตนให้ใครไม่ได้สิ่งที่เราทามาอย่างไรเราก็ต้องรักอย่างนั้นนั่นคือความจริงที่เราต้องยอมรับปฏิบัติเนี่ยก็ปฏิบัติเพื่ความยอมรับความจริงหรือปฏิบัติยอมรับ ก, กับของกรรมนั่นเองแต่เรายอมรับรับถู่ความเจริงในสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เราก็จะเกิดความทุกถ้าอะไรแล้วทุกข์เพราเราพย า, ายามที่จะให้มันไม่เกิดขึ้นเราทุกข์เพราะสิ่งที่เราไม่ชอบใจที่เข้ามากระทบความทุกข์เหล่านี้มันมีมากมายถึงจะพัลลานาแต่ทั้งหลายต้องมาจากคำว่าฝื น, นตามเป็นธรมรมดายิ่งฝืนมากเท่าไหรแล้วก็เป็นทุกข์มากกับมันเท่านั้นไม่ขอยเจอทั้งหน จคำคํานึงไว้เสมอว่าการที่เราจะเพ่งแค่ตามผิดของคนอืน่นไม่ใช่ขเขาไม่ผิดผิดจริงไม่ใช่ไม่ผิดแต่การสิ่งที่เขาพูดผิดก็ดีทำผิดก็ดีสแสดงกริยาท่าทางสิ่งที่ไม่ควรต่อตุคคนที่ควรแต่สมควรที่โดยชาก็ดีหรือสแสดงกริยาในสิ่งที่เหมาะคนต่อสาธารชนก็ดีหรือถ้ทาทำให้เรารู้สึกว่าต้องถูกเบียดเดียน ถูกบังคับทางกายวาจาและกระใจก็ตามแต่ต้องคิดเสมอว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาทำเขามีอำนาจของกิเลสตัญหาครอนําใจเขาทําไปตามแรงของกรรมที่ต้องถูกบังคับให้ต้องทำใจเราผู้มีตับเราไปเท่งโ้ษเจอยงเขาว่าผิดเขาชั่อแล้วเราล่ะเป็นคนดีมากอหรือถ้าดีจริงก็ไม่จั้งแต่มนุษย์ถูกไหม ดีจริงเราคงไปด้วยความเสมอแล้วที่ถ้าเราไม่ดีไม่ช่วยดีไปกว่าเขาแล้วไม่จุดเสมอเขาแล้วเราก็ไม่รวยไปแต่าเขาต่างคนต่างดีก็ต่างคนต่างเลวเรียกว่าต่างคนต่างทําตามดีต่างคนก็ต่างทําตามเชั่อคนที่เกิดดีเกิดเชื่อมันก็เกิดเฉพาบตัวบุคคลที่ได้กระทํามันไมื่รานตามไปสู่บุคคลอื่นนอกจากใครไปยินดีกับเขาด้วย เขาได้กระโมทนาการำในด้านตามยินดีในสิ่งที่เขาทำตามชั่อเยียวยงส่งเสริมให้เขาทําตามเชื่อไอ้อย่างนั้นมันก็มีกรรมไปด้วยคนปฏมมิบษษัติสมาสัมปุจจาตะทราจงละจะตามตั้งใจทาความชั่อละตามยินดีเมืม่อห็นคนอื่นเขาทำาตามชั่วและการยิน ส, งส่งสอนมให้คนอื่นเขาทำาตามชั่วแม้เราจะไม่ได้ทําเองแต่ส่งเสริให้คนอื่นเขาทำแม้เราจะไม่ได้ ทำเองไปยินดีทีคนอื่นเขาทำเรืเาเป็นคนที่ตั้งใจจะทำเองก็ต่างจึงรายนี้มันเป็นกรรมที่มันจะทำลายความสุขของเราทำลายอย่างไรทำลายให้เราต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกทำลายความสุขก็จะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์ปีศาจทำลายให้จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ต้องอยู่ในสังคมที่มีแต่ความวุ่นวายติดขณะเรา มันไม่ไดเกิดในโลกของสมมติที่มีความสุปับนนี้ยกสมัยที่มีปัญญาดีสัญญาดียกสมัยที่คนรอบตัวเราเป็นคนที่มีศีลมีธรรมมีศีลห้ากรรมวจิรร 5, 3, ครบถ้วนรอบตัวเรามัไม่เป็นอย่างนั้นรอบตัวเราส่วนใหญ่ถ้าจะเกิดทั้งหมดมีน้อยนักส่วนใหญ่ก็เป็นรอบตัวที่เะไม่ไดคนครุสศีลคนไม่มีศีห้าไม่มีกรรมวิต ก็เติบใหญ่ความเดือดรานมันก็เกิดขึ้นกับเราคือทาให้เราหาความสุขไปยากนี่ก็เป็นการใช้สัสมือนกันทำให้เราต้องมาปะกนกับบุคคลที่จนไปด้วยความสร้างความวุ่นวายให้กระจายจ่อของเขาเองแล้วก็ทําเบือดเบียนให้เราต้องเดียดรบีนไปกับเขานั่นเสื่อทั้งหลายการปฏิบัติจงถือเอาข้อวัดปฏิบัติที่วรานอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านพย า, ายามบอกตัวเราเสมอว่า จงอย่าเพ่งโทษจอดตามผิดของคนอื่นจงคิดเสมอว่าเราก็ไม่ได้ดีแต่ฝั่งเขาหรอกถ้าดีจริงก็มาจังหวัเป็นมนุษย์ดีจริงก็มาจังหวัเป็นแบบนี้คงสบายฝั่งนี้แล้วแค่นี้เพราะเราก็ทำตามชั่วมาเหมือนกันเขาก็ทํำตามชั่วมาเหมือนกันไอ้คนชั่วกับคนชื่วมันเดียวกันถูกไหมเพราะยัง่งคนมีการมกับคมีกรรมต้อมาเกิดบรรดมนุษย์เดียวกัน แล้วก็มาเกิดเาอาสมัยที่มีกรรมตะบนมากตระบุญที่กําลังบาบมีมากตระบนถ้าบางยุคบางสงมัยเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ไปเกิดในบุญอเอาก็มาสถานที่ที่สุขครอบล้อมอได้ดียกตัวยอย่างง่ายๆว่าวมันเกิดในครอบครัวบางครอบครัวเขาก็มีความสุขดีมีพ่อแม่ที่มีสินมีทาง ตัวเขาเองก็เลยรับความสุขจากบุคคลที่อยู่ใกล้ที่มีสินมีธรรมจบไหมถึงในฐานะเขาอาจจะไม่ได้ควรวยอาจจะเป็นชาวบ้านหาเงินด้วยทำงาอนอะไรก็ตามแต่ยากจนเฉนใจแต่เขาก็มีดดต่อบุต ด, ดีปฏิบัติ ด, ดีคนที่อยู่ร่วมด้วยที่มาเกิดเป็นลูกเขาก็เลยพอมีความสุกายสกใจไปด้วยแต่ถ้าเราทำกรรมไว้ไม่ดีแล้วก็ไปเจอกับพ่อแม่ที่ทําให้เราเดือดร้อน พม่ที่ทุ่มินพ่อม่ที่สร้างสิ่งคิ่ทำให้จิตใจคนเรนั้นมีแต่ความสุข ก, กระทกบกระเทือนรัางกายและก็ใจตลอดเราทําไว้อย่างไรเราก็ต้องได้อย่างนั้นถ้าสมังสมัยเธอไม่เคยควบคุมพ่อแม่เ่งไม่เคยพูดดีกับพ่อแม่ของเธอไม่เคยสงเคราะห์พ่อแม่ของเธอให้อยู่เย็นเป็นสุขเกิดมาชาติใหม่ไม่ต้องชาติใหม่ชาตินี้ถ้าวันใดเธอจะเป็นพ่อแม่คนเธอก็จะไม่รักกัน เพื่อควรสงฆ์จับผู้ที่เป็นอดของเธอเลยเหมือนกับสิ่งที่เธอได้กระทำกับผุ้คนที่เป็นพ่อแม่ของเธอท่นนั้นทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นไม่ต้องรอชาติน้าก็ได้ในความจริงที่พระพุทธเจ้าสอกกนที่เรียกว่ากรรเธอเห็นได้มันเป็นสิ่งทีอมองเห็นได้จำขัดได้ไม่ได้เห็นไม่ได้แล้วก็มองมันไม่ได้ไม่ต้องไปย้อนในอดีตชาติให้มันเสียเวลา ปัจจบันในสภาพของเธอยามีชีวิตอยู่นี้แหละเธอเจอในสิ่งที่มัาปรากฏจะเจอมันเป็นอย่างไรแลร้วองคิดที่จป็นนาโดยว่าเราทําอะไรมาเราถึงต้องเป็น บ, บนี้และดูคนที่เขาเป็นพ่อแม่เราว่าเขาเป็นยังไรและร้ะลองถามด้วยว่ามสมัยพ่อแม่เราเป็นเด็กเขาทํายังไงกับพ่อแม่ของเขาทํำยังไงมามันจะไม่ได้แตกต่างกันเลยผลที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเช่นนะั้น ไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปพอดีพอดีทั้งหมดคุณเคยทำมายัางไงก็ให้ผลตามนะั้นตามเลื่ที่เจอทํามายังไงก็ให้ผลตามนะั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่าตามนึกถึงความเชื่อที่ทามาแล้วท่านพยาามตั้งใจทํำตามดีทําจิตใจให้ของใสคิดว่าสิ่งที่ได้ชั่วก็เพราะว่าเราพลาดเองเราโง่เองถ้าเร า, าจะไม่สนใจในเส้นทางที่ควรจะเดินจะตามพ้นทุก เป็นห้าเราก็ไม่เค ร, รักษากริยาวาจาเราก็ไม่เคยควบคุมให้มันดูให้มันดีเหมาะสมสิง่งต่างๆเหลานี้มันก็เลยมาเป็นพทษกับตัวเราทำให้เราต้องสู่กับทางวาจาสูขขาา่สขขกับทั้งปริยาท่าทางเพื่อพูดพให้เธอได้คิดพิจาอย่างนี้เราไม่ได้มาตำหนิตัวเราเพื่อการท้อแท้แต่พวันนี้แหละมันคือความจรินทำให้เราต้องมาเป็นมนุษย์ ถ้าเราต้องการพ้นทุกข์เราต้องเลิกเสียเลิกไปเจตนาตั้งใจกระทำความชั่วอย่างที่เคยทํามาก่อนในเสียโดยเฉพาะใ้การที่เรามาพิจารณาในเรื่องของการเพ่งข้ษเกี่ยวกับความผิดของีิยจะรู้ไม่ว่ากรรมของการทำมิจฉิตเดียนมันได้ผลอย่างเฉียบพลันทันทีไม่ว่าจะทำมิจฉิตใครก็ตามมันเข้ากันหมดเวลาก็าจึงพบว่าอะไร เขาอินเอาเป็นเองเคยได้ฟังนะเด็กๆชอเขาชอบคนอย่างนี้นลูกอื่อว่าเขาอินเอาเป็นเองนะลูกนะถ้าเป็นแบบนี้เรื่องจริงเป็นเช่นนั้นเรการที่เรไปว่าเขาถึงแม้เขาจะผิดจริงๆริงทำไม่ควรก็จริงแต่ถ้าเราว่าในฐานะของการตักเตือนให้เขามีความดีขึ้นไม่เป็นไรแต่ถ้าเราว่าเขาในเชิงตำหนิติดเจียนเขา กล่าวโทษจากเขาให้คนอื่นได้ยินได้ฟังก็ดีกล่าวทั่วไปในใจของตนเองก็ดีมันไม่สร้างให้เขาน่ะได้ดีขึ้นมานั้นความาแม่จะสอนดุทําไมดุทําไมว่ากล่าวทาไมถ้าทําไม่ได้ถ้า้องเป็นโทษเหมอง ก, กันหมดจริงไหมก็ใช้ไม่ได้นั่นมันหมายความว่าเขามีเจต น, นาต่อความไม่ตาเขาไม่ตาก็จึงสอนจึงเตือนจึงดุจึงว่าไม่ถืออาวัตตมิตริตเตียน ในเรื่องของการเพ่งโทษเกี่ยวกับความผิดแต่ถ้าการเพ่งโทษเกี่ยวกับความผิดคนอื่นมันหมายถึงว่าเราเข้าไปตำหนิผิเพีนบุคคลอื่นว่าเขาทำอะไรผูกไม่ดีไม่ใช่ไม่ควรถึงแม้ว่าสินี้เขาทํามันใช่มันไม่ถูกจริงมันไม่ควรจริงแต่เราก็จะมองมันเป็นกรรมของเขาทํากันมามันไม่ใช่เรื่องของเรางงไหมยังเคยเห็นครอบครัวคนอื่นเขาทาอะไรกัน เขากล่าววาจามันลูกด่าแม่พ่อด่าลูกอันนี้เป็นต้นแล้วเราไปด่าดูที่บ้านนั้นมันอย่างนั้นบ้านมันมันอย่างนี้ลูกมันชั่วมันไม่ดีเดินก็จะพามาต่อยลูกเราบ้างมันจะย้อนกลับมาหาเราบ้างเขาจะชื่อหรือจะดียังไงก็ตามน่าเป็นกรรมก็ทําเข้ามากันเองเราไม่เกี่ยวเราได้ไปเห็นความจริงว่านี่ยังไงคนคู่สิ่ง คนไม่มีศีลมาในการก่อนจึงจะไปเพิ่มเติมจะมาทุกข์กันแบบนี้ถ้าเขาเป็นคนมีศีลดีมีความบริสุทธิ์เขาจะเกิดในครอบครัวที่ดีกว่นี้ครอบครัวที่มีวาจาแพร่ครอบครัวที่เลื่อมลูกซึ่งกันและกันเขาจะมีความสุขกว่ น, นี้ถูกไนหะนั่นคือเขาทาบุญมาดีแล้วก็ได้มองตามความไป็นจริอ๋อนี่เป็นกรรมที่เขาทำมาเขาทํากันมาเองเขาจึงต้องเดือดร้อนกันไปเองมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเราไม่เกี่ยวอะไรกับเขา เราก็เหยร้องของเราที่เราทาํามาแต่เราไปจำเป็นติดใจเขามันก็กลับมาหาเรานั่นคือเราทำมาเหมือนกันใ น, นการปฏิบัติกฎวกรรมฐานข้อแรกเพื่อระับสํารองนี่ให้สิ่งใจของเรานะั้นเป็นโทษมันเสียเวลาในการปฏิบัติสมาทานพการเจริญพระกรรมฐานคือการทำความดีนั่นเองทําความดีต้องคิดว่าตัวเองเนะ่ะชั่วมาก่อนเลยมาก่อน ถ้าเราไม่เชื่อจริงเราไม่เลยจริงเราจะมาทำความดีกันทําไมจริงมันละภาษาไทไม่กลายเป็นตรงๆเราดีแล้วไม่ต้องทําแต่ถ้่เราดูอสองตัวเองแล้วไม่ต้องมาปฏิบัติไม่ต้องมาทําตเราต้อ ง, งตู้ว่าเรายังเลวอยู่เสมอเรายังเอาดีไม่ได้เราจึงพยายามที่จะยายาจจระงับพยายามที่จะกดใจเราพยายามที่จะข่มใจเรากดทวนอดกลั้นในสิ่งที่เป็นความเป็นปกติ ของใจเราที่เป็นแบบนี Asia, Hence, deals, ้มาก่อนที่มันชินมันชินกับวาจาที่ไม่เสแระมันชินกับการกระทําที่ไม่ควรมันชินกับสิ่งลาล่านี้มันชินกับการฆ่าสัตมันชินกับการลักทรัพย์มันชินกับการติดลูกติดเมียมันชินกับการโกหกมัดเพ็รมันชินกับการเดินศิลาเมลัยเดยอะมันชินกับการชอบพูดวาจาเพ้อเจ้อเหลวไหลชินกับการสอบเสี้ยบจิกจินนินทานั่นเป็ติดมันชินมาก่อน แต่ไม่ใช่ความเคยชินอย่างนี้มันแก้ไม่ได้มันแก้ได้ถ้าแก้ไม่ได้คนไม่มีพระพุทธเจ้าถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่พระอรหันต์ถูกไหมลูกคบแก้กันได้ไม่ใช่ว่าสิทุกคนมันจะเชื่อมมาตั้งแต่เกิดจะแค่ว่าเรามันคุกคีกับหมู่ชนและสิ่งที่รอบตัวเรามันเป็นทางไม่ดี แล้มาเกิดอุบัติเหตุหรอกสิ่งรอบตัวเรามาทําให้เราต้องคอยตามยินดีขาดความรู้ถ้าเราใกล้คนดีก็าเรียกใกล้ขันยานมิตนมิตหนึ่งจะเป็นทั้งหมดของชีวิตพระพุทธเจ้าตัสอย่างนั้นไม่ใช่สิ่งหนึ่งของปรมัญญาสมัยหนึ่งที่องค์เสดพระทรงทัานบรมภาษ ส, าสดายัางทรงพระคนชีพอยู่หลวงพ่อพระ อ, อนนท์นจบอกนิมิตจริงๆหนึ่งของชีวิตพระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วดียก่อน อ น, น อ, นอนัตตาอนุนคิตไม่ใช่ตึ้งอย่าง้องพุทมาจจัญนะการคบมิตเป็นทั้งหมดของชีวิตไม่ใช่ตึ้งเนี่ยแต่มันคือทั้งหมดของชีวิตของเราเลยที่เราครบค้าสมาคมกับเขาเพราะเราต้องคอยตามเขาเมื่อไใดที่เรายินดีกับสิ่งที่เขาทําเขาพูดเขาคิดเราก็จะคอยตามตามคิดของเขาพูดเหมือนอย่างเขาคิดเหมือนอย่างเขา เขาจะดูกลับมาคันทุจะดูครอบครของเธอพูดก็คล้ายๆกันทําก็คล้ายๆกันคิดก็คล้ายๆกันเป็นเ่วนใหญ่จะไม่ใช่ทั้งหมดนะแล้วก็มีลักษณะที่บอกบ่อยด้วยว่าคิใดในทางคล้ายกันลองใกล้กันนานๆสิความคิดก็จะเปลี่ยนไปคล้ายกับเขาคเพูดก็จะเริ่มกลมเกลือ่อนไปเหมือนเขาทันเคเจอเป็นมาก่อนจึงเคยใกล้พระองค์หนึง่ง ที่ท่านมีจริยาวะนุ่มนวลพระจ่าทุกคำเป็นพระจ้าทุกคำเหมือนกันท่านนั่งท่าไหนฉันก็นั่งท่านั้นเหมือนกันท่านสงบสงียนยังไงฉันก็สงบสงียนเหมือนท่านอย่างนั้นมาเหมือนกันฉันก่เคเป็นมาก่อนมันจรงจบท์นะตับไปตามสีข้างฝานั่นแหละนะไม่อยู่ตรงไหนก็เปลีเสตามนั้นน่ะไอ้คามเป็นตัวเราเนี่ยมันใกล้คนเช่นใดนานไปเหมือนคนเช่นนั้น นั่นคือความเป็นจริงมันนานไปเหมือนคนฉะนั้นมันก็จะคอยตามตามคิดของเขาคิดเหมือนเขาทําเหมือนเขาพูดเหมือนเขาถ้าเราไปครบครบริตรที่เป็นคนที่สร้างยังรู้ไม่ครบเขาก็ต้องแนะนําให้เรารู้ไม่ครบถูกไหมและเขามีกรรมอย่างไรเราก็เป็นายเป็นคนมีกรรมอย่างนะั้นเหมือนจันฉันอยู่ที่นี่สมัยก่อนพ่อแม่ของฉันยังปานาตีบาฉันก็ปานาเหมือนกันไม่ได้ปาราง ล่อทั้งมาทั้งไล่เหมือนกันก็ทํามาก่อนอันนี้ความเชื่อที่เราทำอย่างเด็กที่เราไม่รู้ว่าไอ้การทำอย่างนั้นมันถูกหรือไม่ถูกนะลูกโยงเขาตกแล้วก็ตกเขาฆ่าแล้วก็ฆ่าเหมือนจันแต่เขาไม่สอนวาสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นไม่ถูกเขาไม่ได้สอนเพราะว่าพ่อแม่ของเรายัารู้ไม่ครบเขาก็ทําอย่างนั้นคุกอย่างนั้นให้เราได้เห็นไอเราเห็นว่าคิดว่าดีเราก็เลยดีกับเขาไปด้วย ดีก็เลยลงมาลกบกัเขาไปด้วยไหมเ่องเวลานั้นก็คือก็ต้องลองมาลกบกับเขาไปด้วยแต่ถ้าลเลยมาพบพระพุทะเจ้าที่ทรงเป็นกัลยาณมิตรตบพระอริยะบุคคลในพระศาสนาท่านแนะนํ า, แ, นนานและท่านปฏิบัติในเส้นทางที่พ้นจากความทุกข์นั้นลูกว่าท่านคิดอะไรคิดอะไรแล้วก็คอยคิดจะตามท่านด้วยท่านเวลเข้าใจในสิ่งที่ท่านเข้าใจไปด้วยเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นดังั้นกรรมมันจึงเป็นกรรมรักพันุก คือมันําเป็นเผ่าพันธุ์ไปด้วยกันแล้วกันมันจัดจำเป็นตัวกำเนิดใ่้เราต้อมาเกิดกจำเป็นตัวให้ตัวเราต้องเป็นไปจำในธรรมอันทุกมันก็สามารถทาให้หลักเป็นไปตามเขาไปด้วยยินดีคล้ายตามทําตามพูดตามคิดตามมันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปตามอย่างเขาไหมเป็นแต่เขาคิดชั่วเราก็หลงชั่วไปด้วยเหมือนกันเหมือนใครตามก็โจอลรคับ ก็ลงเอาไว้คิมือย่างพระเดียววัาชัดแต่ใครคิดการมเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าก็ไปนิพพานอย่างพระพุทธเจ้าทิ้งบอกว่ า, า, าการที่เราครบนิกหนึ่งหรือการที่เราประดิดฐ์เปลียนบุคคลอื่นในการเี่งโทษ ม, มันผิดมันไม่สิ่งที่ไม่มันไม่ควรที่จะฝืนการทำมันมีเหตุผลถึงจะผิดจริงมันก็เป็นกรรมของเขาเราควรจะมองด้วยเหตุแห่งความจริงคือกรรม ถ้าเขาไม่จะทํากรรมมาก่อนเขาก็มาเป็นแบบนี้เราไดจะกความวิสุประสงค์สาม ย, าย้ายเขาพ้นจากากรรมพ้นจากความทุกข์แล้วก็ได้บอกแนวทางการปฏิบัติปคิดอย่างนี้เถอะคุณปฏิบัติแบบนี้เถะตั้งใจจืบพึทธกันอย่างนี้เถอะคุณจะได้ไม่ต้องมาทุกข์มาเป็นอย่างนี้อีกนะแล้วก็ได้จากตัวเพีงเท่านี้เหมือนอย่างที่พระพุทเจ้าสรงตรัสนั่นแหละปัาก็เป็นตัวเพียงผู้บอก ก็ได้จะบอกทางป้นทุกอย่างเดียวไม่สามารถจะทำให้ใครป้นทุกจนอย่ายกที่าองค์ทรงป้นทุกแล้วเป็นข้อวักปฏิบัติข้อแรกจำไว้ให้ดีนอย่าเพ่งโทษเจ่ยบความผิดของคนอื่นขอย้ำว่าความผิดของเขาคือผิดจริงๆมันผิดไปตามาำที่เขาทำมาจริง พฤติกรมสิ่งที่เขาได้ไปพฤติปฏิบัติติต่นั่นไม่เสียงแต่ถ้าเรามีหน้าที่เป็นผู้ปกครองนั่นจะเป็ต้องไปเตือนเพราะความเมตตาแต่เราเป็นผู้ปกครองในที่ที่เป็นที่ทํางานอะไรก็ตามในสังคมในสังคมหนึ่งเราก็ต้องรักษาส่วนรวมอันนั้นก็ต้องกล่าวตำหนิกล่าวโทษเกี่ยวกามผิดกันไปเพราะต้องการให้ส่วนรวมนั้นดีต้องการให้เขาเป็นคนดีแต่ถ้าเราไม่มีเจตนาในใจนิดนึง ที่มีามเมตตาปัจฉัยถ้เป็นคนดีและก เ, เก่าโทษตรวจความผิดเขานั่นต้องถือว่าเรากำลังรับกรรมเต็ม เ, เต็มความคิดอย่างนี้นะแยกแยกกันนะถ้าเราตั้งเจตนาก็ปบาปาเมตตาหวังที่จะพูดก็ดีต้องการจะกระทำก็ดีให้เขาเป็นคนดีขึ้นเจรสติเขามากดีขึ้นการกล่าววาจาของเราอาจจะไม่ใช่ราะการกระทำของเราอาจจะไม่เหมาะในใสายตาที่เขาเห็น แต่นี่คือการกระทำพราเราเมีเจตนานด้วยความไม่ต า, าถ้าว่าจะมีการเข้าวามไม่ตาจะจะดรีรับไหมยินดีที่จะรักถ้าเขาเตือเราติเราว่าเราให้เราเป็นคนดีดีไหมดีอย่างนี้ชอบถ้ากระตุ้นสอนให้เราได้ดียิ่งขึ้นเขาติจะดีตัว เ, เราดีเราจะได้เป็นคนดีพ้นจะกความทุกข์ใดี แต่ถ้าเรามีเจตนาที่จะไปแท่งเคาะตามผิดเขาโดยไม่ม right. ีใจโมยตามสักนิดจะเป็นไปเพราความไม่ชอบจะนจะรับกรรมเป็นเต็ถ้าเป็นในกรณีนี้หยุดเสียนะหยุดใจเราซะยั้งใจในความคุ้นเคยเสียว่าโอ้มันเป็นกรรมของเขาอย่าไปยุ่งถ้าเราต้องการจะยุ่งก็ยุ่งโดยคำ เอาความจริงที่ตัวพุทกเจ้าทั้ทงสอนไปบอกเขาเตือนเขาแนะนําเขาให้เดินทางให้ถูกต้องอย่างนี้ยุ่งได้แต่ถ้าไปยุ่งโดยการํตมิจิตเตือนเขาโดยที่เขากับเราไม่ไ่้เนื่องกันเลยถึงจะเนื่องกันก็ตามโดยเหตุผลอะไรก็ดีเถอะแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นเพราะความไม่างเป็นอันว่าเคยรับกรรมไม่ได้เป็นแล้วมาเจอว่าเขายัางไงเขาก็จะเป็นอย่างนั้น คำนี้พิสูจน์ได้ตนเองนะเป็นตามจริงที่เธอจะย้อนพิจารณาในสิ่งที่เป็นตามจะเจอได้ประสบะการณ์ชีวิตของเธ อ, อด็ดีหรือคนใกล้ตัวของเธอที่มีประสบะการณ์ชีวิตที่เธอได้เห็นกส็สัมมันเป็นเช่นนะั้นนั่นคือตามจริงในการเจริญพระธรฐานกดข้อแรกเลยต้องละทิ้งการเพ่งโทษจดตามผิดของคน อ, งอื่นเสียพฤิยาณใดมันอาจจะไม่ชอบใจเหล่านี้เรื่องส่วนตัวของเราเราไม่ชอบใจนะมันไม่ผิด ถ้าทุกเรื่องถูกแต่เราไเป็นไปไม่ได้ถูกไหมแต่เราไม่ควรที่จะไปเสี่ยงโทษเขาเราควรหันกลับมาโดยตัวราแบอย่างนี้เราจะไม่ทําอย่างนั้นเราจะไม่ประพฤติอย่างนี้เราจะไม่คิดเหมือนเขาคูกเหมือนเขาทําเหมือนเขาแต่จะคิดพู่ทำเหมือย่างที่พระพุทธเจ้าทรงส่งปฏิบัติหรือผู้ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าดีแล้วท่านปฏิบัติกันเราจะทําอย่างนั้นถ้าเกิดทําได้อย่างนี้แล้วก็การปฏิบัติมาตรฐานของสือ จะมีผลดีมากข้อแรกคือจัดเจริญแล้ะระวางใจวาจาใจของเธอมากยิ่งขึ้นในหมายถึงสติสัมปัญญ์ของเจอจะดีขึ้นไหมดีขึ้นเมื่อสติของสัมปัญย์ของเธอดีขึ้นการเจริญภาวนาของเจอก็จะดีขึ้นเมืจะเจริญภาวนาแบบนิิดๆอย่างใดอย่างหนึ่งตามอุปนิสัยที่ตนเองชอบคุ้นเคยมาในการก่อนมันก็ส่งตัวได้ดี พอจองตัวได้ดีแต่ก็จะ่าจะคิดพิจารณาในสิ่งที่เจะเจอตามจริงคือทุกข์เก็จะเห็นทุกข์ชัดเจนมากขึ้นเห็นเหตุที่ทําให้เจอเป็นทุกข์มากขึ้นแล้วรู้ว่าเประดับทุกข์อย่างไรเตาจะมั่นใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างมั่นคงเลยว่ามัธยจิตตฆาในการปฏิบัติเพื่อตามบนทุกข์เืออะไรเขาจะทําอย่างใจจดใจจ่อทานเขาก็จะขยันให้เป็นการละความโลภ สิ้นธอตั้งตจรักษาเป็นการระงับความโกรธภาวนาเธ็จะทำเป็นการระงับความหลงเมื่อเธอสามารถทำสิ่งนี้เป็นการระงับได้ดีแล้วสติปัญฐายวมันก็จะสร้างให้เธอมีปัญญามั่นคงมันจะไม่แค่ระงับแต่มันจะดับตามทุกข์ของตธวจากความโลภโกรธหลงได้อย่างง่ายดายนั่งคุก็คนนะ เป็นที่เราปฏิบัติมาโดยจะปฏิบัตินมา10ปี20ปี30ปีทํำไปยังไงก็ตามถ้ า, าคุณทำข้ อ, น, ขอ น, นี้ของเธอยังไม่ผ่านจากการที่ไปสนิทจีบเจืนอนบุคคลอื่นเธอจะปฏิบัติเก้าไปด้วยความยากลําบากมันจะมีอุปสรรคในการปฏิบัติของเธอเสมอให้การมพวกนี้มันจะมาบัางทอนเธอทําให้เิดเสียเวลา เพราะว่าอะไรสาระเราก็จะไรสาระมันจะเป็นแบบนั้น น, น, นักนัแต่แบบนี้เป็นต้นไปไม่ทากันดีไหมตำเวจเรามาระวังใจเราว่าที่ผ่านมาข้างมาันไม่ต้องการไม่ถึงถ้าเราดีแล้วเราก็ไม่ต้องมาปฏิบัตินี่ก็เรายังไม่ดีเราจะต้องปฏิบัติให้มากกว่าเดิม สิ่งที่เกิดผ่านมาแล้วมันผ่านไปทุกคนจเจริญมาทั้งนั้นแหละไม่มีใครระเบียบมาในการก่อนนั้นสิ่งความเป็นพระพุทธเจ้กาก็ไม่ใช่ว่าพระองไม่เคยจะทําทูกสิ่งมาก่อนก็พูกสิ่มาก่อนจะทำสิ่งที่ไม่ควรมาก่อนเหมือนกันแต่พอเราต้อ ง, ง, เ, ห เ, อ ง, งเห็นผลที่เกิดขึ้นจากพระองค์ทุกสิ่มาแล้วเห็นผลจากสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วจึงสั่งเตือนพวกเาว่าสิ่งนั้นอย่าทำสิ่งนั้นอย่าคิดสิ่งนี้อย่าพูด และถ้าจงคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทําอย่างนี้จึงจะทําให้คุณมีความสุขในความเป็นมนุษย์มีความสุขโดยสวยความสุขในสงสงารกรมโลและก็นิานผ่านได้พระพุทธเจ้าเป็นบระมะครูพระทรงผ่านทุกอย่างผ่านทั้งความเลวมาก่อนผ่านทั้งสิ่งที่เ้องรับผลจากความเลวคือความเชื่วมาก่อนผ่านมาแล้ว แล้วก็ทรงปฏิบัติพบเหมือนทางหมืความก็จรงค้นจากความเชื่อที่ทรงทรงทํามาแล้วนักควรทาอย่างไรพระอริยสาวกทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามคิดตามกระแจ้ประจักภายในใจว่าเป็นเช่นนั้นจริงเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ก็ทําอย่างนี้คิดอย่างนี้ทําให้ท่านทั้งหลายที่เป็นพระอริยบุคคลในพระศาสนาพาตัณฑ์ทุกข์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันนั้นก็เราทุกคนก็ได้ทพูดเดินรอยตามเบื้องพระเยซูคนละบาท เขาองค์เจะ็จพกันรมมกกหาราชกานนาแล้วจึงตัดสินใจว่าเรารักดีเราไม่จะรักเชั่อเรารักที่จะเป็นคนดีไม่จังการเป็นคนชั่วถึงที่นราเป็นมาแล้วเราให้อภัยตัวเราเองคนอื่นก็ให้อภัยเพราจะพระเจา้าทรงกำลังตำหนิเก็บเกียนเราในสิ่งที่ทำมาแล้วไม่มีพระอาริยองค์ใดตำหนิเก็บเกียน เพราะว่า อ, อะไรเ พ, พออราะเพราอายะเหล่านั้นก็เคยทํามาแล้วเคยเรวมมาแล้วเคยชื่อมมาแล้วเดี๋อย่างหลวงพ่อพมกันลาสินสิลูกท่านเคยทุบตีพ่อแม่ของท่านจนตายท่านกระทามาแล้วจนมาลสุดท้ายที่ท่านจึ็นจบจิตเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ที่เปอัตลัษณ์สาวกบนทรายนนทกนะมีฤทธิ์ม า, ตตากต้องอภิญญาสมาบัติตอนนี้ท่านจะมรณภาพท่านกระตุกโจมมาทุบตีท่านตาย เพท่านเคยคคทุกข์พ่อแม่ท่นตายมาก่อนเห็นไหมลูกกรรมเพื่านบังก็ยังเป็นกรรมแต่ท่านยอมรับกดของกรรมและท่านจะไม่ยามที่จะทำความท่วงมท้นที่เคยทำมาในการก่อนเดังาการมรณะภาพของท่านจึงไม่ไปนรกท่านจึงไปนิพพานเหมือนกับโจห้าร้อยเหมือนกั น, น, กนที่กระทำความท่วงมาตลอดทั้งหมดในชีวิตของท่านถึงเวลาท่านจะต้องหนีหนีตํารวจ มีโู้ที่เข้ามาจากท่านจะเจอพระอตรงหนึ่งถ้าเกเจอห0าร้หลานนั้นก็ขอพักท่านช่วยพระท่านบอต้นการอะไรช่วยเป็นที่พึ่งและก็เธอทุกคนต้งตั้งใจทำตามดีรักษาปินให้ครบเหย่นเดียวนี้สิ่งที่ผ่านแล้วไม่ต้องตามนิสิงต่จะฆ่าจักมาเท่าไรฆ่าต้มมาเท่าไรจะรักักมาแค่ไหนจะจะไปติดิในตามเพี่ยนใดจะจะโหกมาติด ก, กับใครมามากมายแค่ไหน กระโดดตุลามาเท่าไหก็ตามเถอะแต่ตอนนี้จ้งใจใหม่ถ้าะจะต้องการให้เราเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งจงรักษาสิห้าให้ครบเจเหล่านั้นก็จ้งใจรักษาสิห้าครบเพราะตํารวจพระเจ้าวิรุเขาก็จับประหารชีวิตพระต่านบอกว่าแม้เราจะตายจงอย่าได้ทิ้งความดีเพรใจเหล่านั้นตายจะ่ตอนเป็นรถก็เป็นเทวดาเปนสวรรค์ขั้นดาวเด่นเกษวโลก กลับมาจิงฟังเทศจากพระเป็นพระเป็นพระอรรัตน์หมดเลยเห็นไหมลูกเห้นเชื่อตามเชื่าาอเราทํากันมาทั้งนั้นอย่าไปคิดว่าเราเโอ้มันเลยผู้ทัดเราทําตามดีไม่ได้แล้วเรา ม, ามันต้องน้องเศร้าเสียใจกับสิ่งที่เราเลยมาก่อนถือว่าเลยก็เลยไปเถดทุกคนเลยเหมือนกันทั้งนั้นแหละมากเมื่ก็ะทำมาทันั้นเนี่ยฉันก็เลยมาก่อนเธอก็เลยกันมาก่อน ถ้าเาไม่เลเราก็ไม่ทํามาน่งปฏิบัติ ต, ตามความดีมาเสียวเวลาเใ น, นการทำความดีของเราทําเพื่อหเหานั้นหนีความเลวหนีความชั่อไปเป็นคนดีก็จะได้ไม้งกลับมาเกิดนะตั้งใจอย่างนั้นนั้นเราจรึงตั้งใจรักษาเปนห้ากรรมวัตถุอยเคร่งครับเอาชีวิตเป็นเดิมพันยอมตายจโดยฝ่าสินขัดเราจะไม่เพ่งเพื่อเกิดความผิดของใครใครผิดก็ผิดไปตามกรรมว่าไปตามกรรมของเขา หนึ่งเราไม่ส่งเสริมใครเราไม่ยุยอมใครไม่ยินดีที่ใครกระทงความเชื่อแล้วก็ไม่กระทำเองถ้าเธอทาได้แบบนี้เธอจะรู้ในคนลของการปฏิบัติบบของเธว่าเใจของเธอมันเนย็นขึ้นการรู้ในบางอย่างที่เธอไม่เคยรู้มันก็จะหลา่งอให้เธอรู้ขึ้นมาเองใจเองเพรที่มีจิตปรานีดละเอียดมากขึ้นเราไม่เคยเห็นความดีของคนอื่นแม้แต่ทั้งคนที่รักเรา เราก็จะเห็นความดีของเขาชัดเจนมากขึ้นเมื่อใดที่เราเห็นความดีของผู้ที่รักเรามากเท่าไหร่เราก็จะมีความสุขมากเท่านั้นนะลูกเหมือนหนูมีความเห็นความดีของคุณพ่อคุณแม่มากเท่าไหร่เราโดยรักเขามากมนุษย์นะเราจะรักเขามากแต่ถ้าเราไม่มีการประปฏิบัติทำความดีเลยไม่ตั้งใจรักษาศีลห้าเก้าบทศีลจริงๆเป็นจังเราจะมองไม่เห็นความดีของผู้ที่รักเราเลย จับหนำซ้ำและจำเหตุผิดเตียนด้วยไพ่คาก็ดีไตรยาก็ดีและจะมีการแสดงความไม่อบไม่ใจไปต่างนนๆนานาก็ตามสิ่งนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำับเราผู้เป็นลูกนะนะลูกนะตั้งใจไว้ว่าชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมันเป็นของน้อยนิดตามตายไม่มีใครที่จะกล้ามหาเราเมื่อไหร่อเคไปจัดการเรืาาา่องมาตรกาตรงกันว่า ความตายไม่มีน <sh> ิดๆไม่มีเครื่องหมายลูกมันตายไปทุกเวลาเช้าสายบ่ายค่ามันยังหามเกินไปหลวงพ่ออดานึกถึงตลอดเวลาอวลาตายเดี๋ยวนี้เราต้องตายเดี๋ยวนี้เสมอแล้วเราก็จะเป็นคนเลยที่ต้องแสวงหาความดีให้มากเราต้องพ้นความเลยที่เราเคยเหลให้ได้เราจะไม่กลับมาใช้ความเลที่เราเคยเหลวมาในการก่อนทําตามดีหนีความชั่วไม่มีพระอรหันต์องค์ใด แม้แต่พระพุทธเจ้าองค์ใดความชั่วหมดไปไม่มีแล้วลูกแต่ว่าความดีของพระ อ, องค์ท่านหรือความดีของพออาาระอรหันต์ทั้งหลายมากเป็นความชื่อไม่สามารถดินใจท่านต้องไปเสวยทุกขเสวยผลของความชั่วที่เคยทํามาเท่านั้นเองนั้นหผลทางการปฏิบัติจึงมุ่งใจที่จะไม่กลับมาเกิดเพราะเราจะได้ไม่สมบัดพบกับความเชั่อที่เราทำมาอย่างเลวที่สุดก็ไปสวรรค์จะลุก เป็นห้าเกลบบจิตมันทาให้เราไม่ต้องมาตุกเวชนาเป็นมนุษย์อย่างน้อยก็เป็นเจดานังฟ้าที่มีความงดงามมีความสบายใจและก็สามารถจะบรรลุทำได้ง่ายถ้าใครก็ตามปฏิบัติเพียงแครักษาเป็นห้าเบบจิตแข็งครับมั่นคงกั้นกุ้งเป็นปากเป็นคนําว่าชาตินี้จะตายเลยที่สุดก็จะไปเป็นเจดานังฟ้าดังเลยที่สุดของเจดีย์สังเคราะห์แต่พุทธาจดีย์เดียจะเป็นอาราม มันเป็นของไม่ยากแค่รักษาเพีงเท่านี้เราจะไม่ประมาทในชีวิตรักษาสิ 5, 5, 6, 10, ทธห้าคามโกรธสิให้เส้นครับและจะหยาดเชื่อโทษเกิดตามผิดของคนอื่งเขาเมื่อ้จะทำได้ในกฎาสามประการเป็นอย่างน้อยมาทําให้เรามีส ต, ติสมัมปชัญญะมากขึ้นยอมรับกฎของคามเป็นจริงมากขึ้นอย่างน้อยตามตายเราก็ยอมรับอย่างจับใจไม่ปฏิเสธมันอย่างน้อยเราก็ยอมรับกฎของก ร, รมที่เกิดขึ้นจากเรากระตับ กับบุคลทั้งหลายเราจะไม่เสื่อมาเป็นธรรมดาของใครนั้นทุกๆคนที่แสดงปริญาและก็ทําอะไรอาจจะไม่ถูกใจเราก็ยังใจเราไว้ถ้าไม่ถูกใจเราเรามีามตามเวลาเปลี่ยนก็ได้พูดได้หนูหนูทําอย่างนี้นะลูกนั่งอย่างนี้นะพูดอย่างนี้นะจะทําแบบนี้มันบาปมันไม่ดีพูดได้เปล่ยนได้เพราะนักจิตใจเรามีตามเวลาถูกไหมลูกพูดได้ไม่เพื่อห้ามยุ่งแต บ, บ้านไม่ได้ แต่ถ้าใจของเรามันไม่มีตามเมตตาที่จะมุ่งมั่นใจไปเพื่อเขาแต่มีใจเป็นแค่หยาดเห็นด้วยความรู้สึกไม่ชอบใจและก็กล่าวรู้สึกภายในใจตำหนิจีเกี้ยวเขาแม้นใครจะไม่รู้ว่าเธอตำหนิแต่เธอน่ารู้มันเป็นมโนกรรมไอ้มโนกรรมตัวนี้เนยร้ายยิ่งกว่าเป็นกรรมทีเกิดขึ้นมาในใจของเราแต่มันให้ผลมันอย่างที่เราว่าเขาเลย นั้นลูกว่าเขาอหนาเป็นเองนันลูกนะอจําไว้ลูกเพื่อนบ้าเราอเออเองว่าค่าย่ังไงก็เป็นยังค่ายแหละเดี๋ยวถ้าเขาชมเราก็อย่าไปคิดว่าดีเพราะนั่นแค่ปูกใจเขาลูกทําอะไรไมา่ปลูกใจเ ข, เ, ขกกเขาก็ด่าเราเขาก็ตดเราเหมือนเดิมดั ง, งคําชมคําด่าในโลกธรรมและสอประการจงอย่าถือเอาเป็นตาละในการปฏิบัติ ถ้าใครร้องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโลกธรรมทั้งแปดประการจะต้องมองว่าหนึ่งเราจะไม่ยินดีกับรักประการที่ได้มาแล้วก็ไม่ดีร้ายมารากประการนั้นหมดสิ้นไปหมาว่าได้มาก็อย่าหลงหมดไปก็อย่ากังวนใจชั่งมันเนาะใครจงก็ชั่งเขาใครด่าประการใครจังมันดีกว่านะถาจะด่าเราว่าเราได้ตามได้ต่างไม่เป็นไรหรือว่า เขาเป็นครูบาอาจารย์ของเราเขาต้องการเราเป็นคนดีนี่ควรจะนอกน้อมใจเขาไหมควรจะเล่นนิดถึงเอ่ยเขาสอนเราดีแล้วพขาสอเราดีแล้วเหมือนเหมือนท่านนั่นสมัยก่อนท่านเล่นนิดถึงครูบาอาจารย์ที่สอนท่านสมัยเด็กๆ เ, เอาต้นไป ย, ยืนกาแงแฉกหน้าห้องขาไดไม้เปนพัดองอมบอระเพ็ดอะไรทานองนั้นถ้าเขาไม่ทําให้เราเป็นอย่างนี้เราคงนิสยัยคนจะโลมากกว่านี้ถูกไหมหนะ ก, กว่านี้ถ้าเป็แม่ไม่ตีฉั้งที่ขโมยซัก การนี้ขนาจจะเป็นโจรไปแล้วก็ได้แต่เขาไม่สอนว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นไม่ถูกและอาจจะเป็นคนที่ทําดยตามใจ ต, ตัวเองมากกว่านี้ก็ได้ถ้าไม่ถูกตัดบริเวณนองนคงจะและจุ่มตักับที่ยึลบโลกไปนานแล้วก็ได้นั้นสิ่งอะไรก็ตามที่ท่านทํากับเราด้วยกรามตาถนาดีตาแระเด็กเราอาจจะไม่รู้แตเมื่อราโตมาราจะรู้เปรืงสิ่งที่ท่านได้พูดด้เตือนได้สั่งต่อเราว่ามันมีค่า การเวลาก็ผ่านมาพอสมควรนะนะแล้วนะแล้วขอใเจอตั้งไหตงตั้ง ใ, ใจระลึกนึกถึงคนของพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทุกๆท่านที่มาตาสงเคราฆ์คุณของเทวดานังฟ้าคมและพระอาริยะที่ต่างสงค์ห้อยเราได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิ บ, บัติทำตามดีสิ่งใดก็ดีที่ได้ได้แต่งดลเมิดด้วยกายวาจาใจกับคนก็ดี กับสก็กดีกับตัวคนที่ไม่สมควรที่เราจะกล่าววงน้ำมอดด้วยกาวายาใจกด็ดีกับคนที่คว ร, รจะกันกล่าววายาใจด้วยกันเป็นอิสระก็ดีขอบารมีขององค์สุภสัมมาสัพุทธเจ้าพระสัมมาสัาพุทธเาทงเป็นที่สุดครูาอาจารย์ท่านพ่อท่านแม่พนมเริญบารมีพระท่านทั้งหลายด้วยโปรดอดโทให้แก่ข้า จ, ะจะ้าณปัจจบันนี้ตราบเท้าพระสุภภาพใหทานในชาติปัจจุบันด้ดเพล อะมามาตั้งใจอุทิศ ส, ส่วนกุศลด้วยกันนะ <c oughs> อีกทามบุญยะพลังบผลบละบุใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลา ย, ลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้พอผลละบุญนี้นนนต้องถึงท่งานจะกรรมในเวรทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าได้เคยลงเกินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอหอท่านทั้งหลายจงโมทนาจงโมโหสิ ก, กรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายาตั้งแต่บัด น, นี้ราข้าวเข้าสู่พระนิพพานและขอที่สุคติตนนี้ให้แก่ท้าพเจ้าทั้งหลาย เกิต่อปารักษาข้าพเจ้าและทั่จา้าทั้งหลายเพื่อสาครลกพิพพกและปยายมราชขอทัตวปา้าทั้งหลายและปยาเยมราชกพื่โปรดมธนาเพื่อเปิดเป็นสัจีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด และขอที่สุโขนนี้ให้แต่ท่านทั้งหลายที่สวยตามสุขอยู่ก็ดีสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นยากก็ดีวิแค่ยากก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาคืน้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดกับกข้าพเจ้าจะคืนนี้รับในกาล ร, ระดับดยวนี้เถิด ผลละบนใดที่ขปเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอผลละบญนี้จงเป็นปัจจัยให้ขปเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงเป้นพระนิพพานในชาติตจจบันด้เยเ่มอารังสมมาสัมพุโทโธประอวัง ตุขังพระกว t รณตังอธิวาเ p มิตุวะตาโตพระภวตาตมุลอามังนะมัสสัมมิตุปาติปันโน t ระภวโตชาวะกสังโขตังขังนมามิ โมจนาทุกคนเลนะ